ด้วยคำว่าภาวิตตานังนี้ท่านแสดงเหตุการ์บรรลือสีหนาฏในคาถานี้พระเถระทั้งหลายท่านเรียกว่าเช่นกับสีหะเพราะมีอัตภาพอันอบรมแล้วและคาถาของพระเถระเหล่านั้นท่านเรียกว่าเป็นเช่นเดียวกับสีหนาฏเนี่ยนะเหมือนกับการบรรลืสีหนาฏจริงๆนี่ต่อไปด้วยบทว่าอัดถูปนายิกานี้ท่านแสดงถึงประโยชน์ในการข่มขี ในบรรดาอากุโสรธรรมเหล่านั้นสังกิเลธรรมชื่อว่าเป็นประปักของพระเถระทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถือว่ากิเลสนี้เป็นศัตรูของท่านนะเป็นฝ่ายอื่นของท่านที่ท่านจะต้องรีบจัดการจะต้องเข็นจะต้องฆ่าจะต้องทำลายให้ได้แล้วท่านท่านประหารท่านฆ่ากิเลสเหล่านั้นด้วยอะไรก็บอกว่าสมุดเชษฐประหารตะทางฆ่าประหารวิขำพระนาประหาร น, นั่นแหละเป็นการข่มขีสังกิเล ของท่านเหล่านั้น น, นะเครื่องมือในการกําจัดศัตรูของท่าน น, นะอาวุธของท่านก็คือแต่ทางฆ่าปะหารเป็นชื่อของวิปัสนาใช่ไหมวิขำพนาปะหารเป็นชื่อของสมุทะสมุเทเฉทปะหารเป็นชื่อของอริยมรรคนั่นเองอันนี้เป็นเครื่องมือในการประหัดปะหารศัตรูของท่านคือสังกิเลททั้งหลายเห็นไหมเวลาคนสมมุติว่าเวลาทะเลาะกันอย่างนี้นะ เกิดโทสะขึ้นใครเป็นศัตรูข้างนอกเป็นคนที่มาทะเลาะกับเราเป็นศัตรูหรือกิเลส ท, ที่เกิดในใจเราเป็นศัตรูเรา <c oughs> ต้องกิเลสในใจนะที่เป็นศัตรูนะ่ะนะถ้าเอาตามในเนี้ยต้องเป็นอย่างนี้หมาใช่ว่าคู่กรณีนั่นแหละคือศัตรูเราไม่ใช่กิเลส ท, ที่เกิดในใจเรานั่นแหละคือศัตรูของเราอ่อนะเพราะฉะนั้นจะมุ่งค่ายกิเลส ท, ที่เกิดในใจเต็มที่พระเทระเหล่านั้นเรียกว่าผู้มีตนอันอบรมแล้ว เพราะเมื่อสมุทเฉทประหารพร้อมด้วยแต่ทางฆะวิขมพนะประหารมีอยู่ปฏิปัสสัที่ประหารนิสรณประหารย่อมชื่อว่าเป็นอันสําเร็จแล้วถ้ามีอารยมักถ้าอารหัตอารยมักใช่ไหมเป็นการอบรมตนนะนะถ้าอารยมักเกิดก็แสดงว่าสมถะวิปัสนาควบคู่กันแล้วสมถะคือวิขมพนะประหารวิปัสนาเป็นแต่ทางฆะประหารเนี่ยนะนะทีนี้ผลของสมุทเฉทประหารคือ อริยาผลทั้งหลายอันนั้นเป็นปฏิปัสสติปะหารอารมณ์ของมรรคและผลอันนั้นก็คือพระนิพพานเรียกว่านิสรณะปะหารมีคําถามว่าเอ๊แล้วพระนิพพานเนี่ยละอะไรอะปะหานะอะไรฆ่าอะไรถ้าว่าให้ตรงพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมะที่สลัดออกจากสังคตะธรรมทั้งบวงสลัดคืนจากสังคตะธรรมทั้งปวงนั่นเองนั้นก็เป็นปะหานะ คือละเหมือนการละอะไรละสังคตะธรรมทุกชนิดเพราะตัวเองไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งท่านกล่าวอธิบายความไว้ดังนี้ก็ในมักคคณะคือในขณะอรหัตในขณะอริยมรรคพระอริยะทั้งหลายชื่อว่าย่อมเจริญอัปปมาทะภาวนาจำเดิมแต่ผลอันเลิศคืออรหั ต, ตผลเป็นต้นไปเนี่ยนะชื่อว่ามีตนอันอบรมแล้วแล้วก็คือหมายถึงคนที่ทาเสร็จแล้วนะในบรรดาปหาตปธรรมเหล่านั้นท่าน แสดงความสมบูรณ์ด้วยศีลของพระเถระเหล่านั้นด้วยตทางคาประหารแสดงความสมบูรณ์ด้วยสมาธิด้วยวิขมพนะประหารแสดงความสมบูรณ์ด้วยปัญญาด้วยสมุทเฉทประหารถ้าจะสงเคราะห์โดยศิขาสามะนะคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นในขณะศีลเป็นตะทางค้าประหารนะในที่นี้นะสมรรสมาธิเป็นวิขำพนะประหารปัญญาเป็นสมุทเฉทประหาร จริงๆอะอยู่ด้วยกันในขณะอารยมรักนะที่กําลังพูดเนี่ยกำลังพูดในขณะมรักนะไม่ใช่ไปพูดขณะอื่นถ้าขณะในอารยมรักเกิดเนี่ยนะศีลเป็นตทางข้าประหารสมาธิเป็นวิขัมภณ ะ, ะประหารปัญญาทมกิจสมุดเฉทประหารก็ท่านแสดงความที่ข้อปฏิบัติของพระเถระเหล่านั้นเนี่ยงามในเบื้องต้นด้วยศีลและศีลเนี่ยชื่อว่างามในเบื้องต้นด้วยข้อปฏิบัติที่ตั้งคําถามว่า ก็อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายบอกว่าศีลที่บริสุทธิ์ดีแล้วเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งในวิสุทธิมัคยศีเลปฏิทายะนโรสปัญโยเนี่ยนะศีเลปฏิทายะก็คือผู้ที่ดํารงมั่นอยู่ในศีลหรือว่าสัพพปาปะสะการนังเนี่ยนะการไม่ทําบาปทั้งปวงและศีลเนี่ยก็เป็นเหตุนํามาซึ่งคุณธรรมเนี่ยมีความไม่ต้องเดือดร้อนเป็นต้นถ้ายิ่งแบบศีลในขณะอรหะอริยมรักด้วยนะถ้าเป็นผ้าหันไปแล้วเนี่ยท่านจะเดือดร้อนกับอะไรห นะถ้าถ้าวีระตีเกิดกับอรหัตตะมักเมื่อไหร่นะโอ้ยเลิกเดือดร้อนทุกชนิดเลยว่างั้นท่านแสดงความงามในท่ามกลางด้วยสมาธิสมาธิชื่อว่างงามในท่ามกลางด้วยข้อปฏิบัติตามพุทธพจน์ที่ว่าจิตตังภาวายังนะการยังจิตให้เจริญหรือทําจิตภาวนานกุศลกุศลสะอุปสัำปทาก็คือการยังกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็สมาธิเนี่ยเป็นเหตุนํามาซึ่งคุณวิเศษมีอิทธิวิทะ หรือนำมาซึ่งอภินยาทั้งหลายท่านแสดงความงามในที่สุดด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญาเนี่ยเป็นที่สุดของข้อปฏิบัติในพระบาลีว่าส จ, จิตประโยท ป, ปนังเนี่ยนะการทำจิตของตนให้ของแผ้วปัญญ์ปัญญพาวยัญยังปัญญาให้เจริญปัญญานั่นแหละชื่อว่างามโดยเป็นเหตุที่ปัญญาเนี่ยเหนือกว่ากุศลธรรมทั้งหลาย เพราะนำมาซึ่งความเป็นผู้คงที่ในอิทธารมและอนิถารม์ปัญญาเป็นตัวให้คงที่ถ้ารับอิทธารมเนี่ยนะปกติโลภะจะเกิดใช่ไหมปัญญานี่เป็นตัวห้ามโลภะไม่ให้โลภะเกิดถ้าไปเจออนิถารมณเนี่ยโทสะเกิดใช่ปัญญานี่เป็นตัวห้ามไม่ให้โทสะเกิดพรานคนที่มีปัญญาเนี่ยเมื่อเจออารมณ์ที่ดีคิดยังไงจึงจะไม่โลภอันนั้นนะเป็นงานของปัญญาจริงๆ ในขณะเจออารมณ์ที่ไม่ดีคิดยังไงจึงจะไม่โกรธอันนั้นเป็นเป็นงานของปัญญาอันปัญญานี้ทําให้คงที่ในอิทธารมณ์และอนิธารมเนี่ยนะดังที่พระองค์ตรัสว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะนินทาและสรรเสริญทั้งหลายเหมือนภูเขาหินเนี่ยนะเป็นแท่งทึบไม่สะท้านสะเทือนด้วยลมฉะนั้นเนี่ยนะถ้ากล่าวว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมั่นคงในนินทาและสรรเสริญนินทาเนี่ยสัตว์ทั่วไปจะ โสภาใช่ไหมสารเสิญก็โลภะนินทากับสารเสริญถ้าบอกว่ายกโลกธรรมคู่เดียวมานะสามคู่ที่เหลือก็เท่ากับกล่าวแล้วเนี่ยนะถ้านินทาเนี่ยมันทําให้เกิดความทุกข์ใช่ไหมถ้าสารเสริญก็ทําให้เกิดความสุขที่ได้รับสรรเสริญก็เพราะมีมีลาบมียศเขาจึงสารเสริญเอาอะไรมาชมกันก็เอาลาบอายศนั่นแหละมาชมกัน ถ้าเขาจะนินทาก็เอาความเสื่อมลาบความเสื่อมยศนั่นแหละมามานินทาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวนินทาสรรเสริญปั๊บก็เท่ากับกล่าวสุขทุกขลาบยศนะเสื่อมลาบเสื่อมยศเนี่ยเท่ากับกล่าวหมดแล้วท่านพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้คงที่ในโล ก, กธรรมทั้งหมดถ้าใช้คําว่าลาบสรรเสริญสุขยศเนี่ยนะให้รู้เถะว่าท่านไม่มีสมุทัยสัตว์ที่ท่านมั่นคงอย่างนั้นนะ เนื่องจากท่านไม่มีสมุทัยศัตว์ที่ เ, เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกเนี่ยปกติตรงเนี่ยเป็นทุกข์สัตว์ใช่ไหยท่านเนี่ยไม่เศร้าโศกเสียใจในสิ่งเหล่านั้นเลยเนี่นะก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆเนี่ยนะถามว่าอะไรเนอะเป็นเหตุให้ท่านมั่นคงเนี่ยนะถึงรับอารมณ์ดีหรือรับอารมณ์ไม่ดีท่านก็ยังมั่นคงอยู่ เพราะท่านมีนิพานเป็นอารมณ์เป็นธรรมที่มั่นคงอยู่แล้วเป็นเป็นอารมณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าไอ้ปัญหาเล็กๆน้อยๆท่านไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาหรอกท่านมองไออารมณ์อิฐธารมณิฐารมธรรมดาทั่วไปนะท่านมองเป็นสิ่งเล็กน้อยทั้งหมดเลยนะเหมือนก็นไม่ต้องอดทนอะไรหรอกานะเพราะท่านอยู่กับสิ่งที่มันมันประเสริฐสูงสุดอยู่แล้วเนี่ยนะสำนวน ว, นว่าโอ้โหกินอาหารอร่อยมากเลยนะมีความเปรี้ยวอยู่หน่อยหนึ่งในนั้นน่ะถามว่าต้องอดทนมากไหม ไม่ต้องว่าทานอะไรที่ผลไม้บางอย่างอร่อยมากแต่มันอาจจะทิมปากนิดเดียวในแค่แคข้างๆนั้นน่ะนะก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคอะไรคือท่านผ่าอาหารทั้งหลายท่านจะไม่มองอะไรเป็นอุปสรรคหมดเพราะอะไรไม่ว่าอารมณ์ใดเข้ามานะท่านเข้าสมาบัติได้หมดอะท่านท่านสามารถที่จะน้อมไปสู่วิเวกเงื้อมไปสู่วิเวกได้หมดอะท่านท่านยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรท่านอยู่ได้กับทุกอารมณ์อยู่แล้ว ถึงท่านไม่มีฉันท่านก็อยู่ได้เอ้าท่านก็เข้าพระสมาบัติท่านมีความสุขกับการฉันเข้าอีกตั้งไม่รู้กี่เท่าไร่เนี่ยนะพันถึงท่านจะป่วยท่านก็ท่านไม่ได้มานั่งเจ็บกับเราอะไรหรอกท่านไม่ได้มามาน่าศีการให้มันปวดมันเจ็บหรอกท่านไปคิดเรื่องนิพานคิดอะไรของด้านนี่มันสงบมีความสุขนะเพราะนั้นท่านก็เลยมาไม่ได้มาเดือดร้อนกับพวกนี้อยู่แล้วก็เพราะนั้นแหละท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้มั่นคงนะเพราะท่านเห็นธรรมะที่ที่มั่นคงอยู่แล้ว อย่างทำไมท่านไม่ไปเพลิดเพลินในอิทฐารมสีสวยๆที่น่าปรารถนาะโอ้ยนิ่พานดีกว่านี้ไม่รู้กี่กี่กี่กี่เท่าไหร่เป็นเท่าไร่เนี่ยนะแต่สำนวนแบบเอาพระพ น, นันทะท่านก็บอกว่าพอไปเห็นเทวดาปับ๊บคนที่ตัวเองเคยรักมากเนี่ยมองเท่ากับมีค่าเท่ากับลิงเลยมีไม่เหมือนไม่ต่างอะไรจากนางลิงอย่างนั้นเหมือนลิงเลยนะเพราะฉะนั้นไม่เอาก็ได้นะคนนั้นงามกว่าตั้งเยอะอยางไงนะ พอเจอของดีกว่าไอ้ของที่ไม่ดีเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่เห็นจะต้องไปหน้าเพลดิดเพลินอะไรเลยอาหาระ้าอาหารทั้งหลายท่านมีนิพานเป็นอารมณ์ที่สงบดีเยี่ยมประนีตเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้เห็นว่ามันน่าน่าพิศวาสอะไรเลยนะไม่ได้เป็นอารมณนาที่ปฏิปัจจัยของท่านเลยท่านก็รับรู้อ่ะแต่ว่าท่านไม่ได้ไปให้ค่าอะไรมันเลยอันหนึท่านแสดงความเป็นผู้มีวิชาสามด้วยศีลสัลสมปทาเพราะจะบริสุทธิ์หรือเพราะจะบรรลุวิชาสามได้ก็ต้องอาศาัยศีล เขามีคําถามว่าทําไมศีลผู้บริบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยจึงได้วิชาสามทำไมจึงระลึกชาติได้ทําไมจึงรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายทาไมจึงทําอาสวะกิเลสให้ให้หมดถ้าใครที่มั่นคงในศีลมากเพราะอะไรเพราะว่าคนที่รักษาศีลเนี่ยจะตรวจเรื่องศีลตัวเองเป็นประจําใช่ไหมตรวจสอบเรื่องศีลบ่อยไหมบ่อยอันนั้นเป็นอุปนิสัยอะไรระลึกชาติ ก็ทบทวนศีลของตัวเองบ่อยๆบ่อยๆใช่ไหมเช่นว่าใครบางคนบางคนบอกตั้งกระ บ, บวชมาเนี่ยศีลไม่เคยขาดเลยนะอันนั้นคือการฝึกทบทวนศีลอยู่ตลอดอันนี้นสะสมอุปนิสัยปุเพนิวาสานุสติยานทีนี้ถ้าคนมีศีลเนี่ยเขาจะพิจารณาโทษของการทุศีลไหมพิจารณาถ้าทุศีลเนี่ยผลคืออะไรถ้ารักษาศีลดีนำเกิดที่ไหน อันนั้นเป็นอุปนิสัยจุตูปะปาะะตายานกับอนาคตังสยามเพราะรู้ว่าศีลมันมีผลยังไงเขาก็คิดเรื่องอนาคตไม่ใช่น้อยเลยอ่ะอ น, น, นอัอุปนิสัยอนาคตังสยามกับจุตูปะปาตายานเขารู้อยู่แล้วว่าคติแห่งศีลเป็นยังไงแล้วก็ศีลเนี่ยถ้าเป็นศีลที่ตั้งเพื่อ น, นิพเพธพาคยะเนี่ยนะเพื่อชำระ ก, กิเลสอันนั้นก็เป็นอุปนิสัยแข่งอรหัตมรักษ์นั่นเอง ก็วิชาสามอ่ะนะสรุปว่าศีนเนี่ยเป็นอุปนิสัยแห่งวิชาสามด้วยประการอย่างนี้ก็มันทบทวนศีนบ่อยๆนะสะสมอุปนิสัยปุเพแล้วนะพิจารณาอนิสงส์ของศีลบ่อยๆสะสมอุปนิสัยอนาคตังสยานกับจุตูปปาตาญาณเอาไว้แล้วเนี่ยนะนะคืออย่างเช่นนะว่าเราเห็นคนทุศีนทักํากลังตายเนี่ยเราพอรู้ไม่ว่าเขาน่าจะไปไม่ดีใช่ไหมอเอาเขียอย่างนี้มาคิดบ่อยๆก็รู้จุตูปปาตาญาณในฝ่ายไม่ดีแล้ สะสมเมาไว้นะสะสมอัอธยาศัยอุปนิสัยไว้ถ้าเห็นคนดีเขาตายเราก็รู้ว่าเขาไปดีแน่อย่างไงเพราะสภาพจิตเขาเป็นกุศลเป็นต้นในก่อนเวลาใกล้จะตายเนี่ยเราก็สะสมที่จะเห็นอะไรมีตาทิพที่จะรู้ที่ไหนไปที่ไหนอีกแล้วะแต่ว่าศีลก็ต้องตั้งอัธยาศัยเพื่อเพื่อรักเลเนะนะเพื่อนิเพทภ า, าคยะเพื่อชั้แรกเพื่อออกจากวัตจัสแสดงความเป็นผู้มี อภิญญาหกด้วยสมาธิสัมปทาเพราะจะบรรลุอภิญญาหกได้ก็อาศัยสมาธิสัมปทาพวกที่สมาธิสัมปทาเนี่ยนะโดยทั่วๆไปแล้วสมาธิสัมปทาเน้นที่พวกกสินกสนิผู้ที่เจริญปฐวีกสินเนี่ยนะสามารถทำน้ำให้แข็งได้ผู้ที่เจริญอาโปกสินมากสามารถทำดินให้มันอ่อนเดินทะลุภูเขาทะลุช่องทะลุอะไรได้ดาดินได้ผู้ที่ สะสมปฐวีกสินมามากเนี่ยนะเผาอะไรก็ได้โดยที่สุดอย่างพระอนนเนี่ยท่านเผาท่านเองเนะท่านไม่ได้ให้คนอื่นมาเผาะอะไรหรอกก็อิทธิวิธีอนะเนี่ยอ้ า, อา ว, วาท่านก็อธิษฐานก่อนตานยไงอธิษฐานไว้ท่านก็จุติจิตอภิญญาจิตจบอนะอธิษฐานไว้แล้วอภิญญาจิตเกิดแล้วก็จุติจิตของพระอาหารอภิญญานั้นเป็นอุปนิสัยให้เผาเลยนะเนี่ยคำนวนว่าเผาตัวเองเ่างอนกันเถอะ คืออธิฐานเผาเอาไว้น่ะอันนั้นด้วยอำนาจเตโชกสินพันการเหาะก็คือวายโอกสินเนี่ยนะพวกกิจทั้งหลายเนี่ยพวกสมาธิสัมปทาจะทําได้พวกที่ได้กสินอย่างนี้เนี่ยนะเนรมิตรอะไรก็ได้นี่นะอธิษฐานยังไงก็ได้ฟังเสียงแม้ใกล้แม้ไกลก็ได้พฉะนั้นสมาธิสัมปทาเนี่ยเป็นเหตุให้แล้วก็วายโอกสินเหาะนะก็วายโอกทำให้เบา สมาธิสัมปทานนี่จึงเป็นบาตรแห่งอภิญญาหกแต่สําคัญก็สมาธิเหล่านั้นต้องเป็นนิเาพายทพักยะสมาธินะจึงจะบรรลุอริยสัจเพราะไม่งั้นก็ที่จะเอาวันนี้มาคิดถึงว่าใครที่ได้ฌานและเอาฌานมาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรไม่ใช่เป็นของทําง่ายเลยเ อ, เอาความสุขที่สุดอามาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเอาสิ ของเราก็อยากให้มันมีความสุขอย่างนี้นานๆยั่งยืนใช่ไหมแต่เอาความสุขอันนี้มาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงอันนี้จะทํายากขนาดไหนอันพวกที่ที่ได้สมาธินะได้ฌานแล้วมาเจริญนิพพ ส, สนานะพวกนี้ทําสิ่งที่ทําได้ยากมากยากยังไงมันถ้าคนได้ฌานไม่ค่อยอยากใช้ความคิดใช่ไหมก็อยากแต่สุขอยู่อย่างนั้นแหละมีความสุขเต็มที่ก็ไม่อยากเอามาพิจารณาอะไร ได้ปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วต้องมาหน่วงที่จะพิจรารณาเอาองค์ชานเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรมีเหตุปัจจัยยังไงมายังไงไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกยังไงเป็นอนัตตายังไงอะ่ะต้องมาวิจัยเป็นอย่างมากถ้าเทียบกับการเข้าสมาบัตใช่ไหมรับอารมณ์เดียวแล้วก็มีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยโอ้ห่างกันมากเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็ทํายากมากจะทํายากยิ่ ง, ง, งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นาการตัดฉันนราคะในในอิทธารลมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เป็นของทงําาง่ยนัำ อันสมุทัยศาสตร์เนี่ยผู้ที่ได้ฌานนะถามว่าทาไมท่านไม่เห็นต้องไปพิจารณารูปอะไรมากมายบอกพวกนั้นไม่ค่อยติดในเรื่องวัตถุ ก, กามอยู่แล้วท่านติดในตัวสมาธิเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องเอาองค์สมาธิมาพิจารณามาเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะมาพิจารณามาทําปริญญาเพื่อที่จะตัดฉันทราคะอันการทําปริญญาว่าให้ตรงเลยเขาให้ทาปริญญาในปียรูปสาตรูปเป็นหลักเนี่ยนะ อภิยรูปอสัตยรูปไม่ต้องไปทําปริญญามันเท่าไหร่มันก็ไม่เอาอยู่แล้วเดี๋ยนะให้ก็ยังไม่เอาเลยอภิยรูปอสาตยรูปเนี่ยนะทั้งให้เอาปภิยรูปสาตรูปทั้งหลายมาทําปริญญาให้มากๆทีนี้ถามว่าไอ้บรรดาปภิยรูปสาตยรูปเนี่ยภายในกับภายนอกอันไหนจะรักมากกว่ากันก็ภายในเนี่ยเราก็ยึดติดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาภายในเรามาทําปริญญาให้มากๆปกิยรูปสาตรูปก็พุทธพจน์ที่บอกว่าถ้า สิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตะละตันหาก็ละในอารมณ์มันเป็นที่รักเป็นที่พอใจนั่นแหละนี่โรสัจจะที่อธิวายนิโรสัจจานะเช่นจกักขูเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกถ้าบุคคลเมื่อจะละตันหาก็รักที่จักสุอันนี้มีมีเยอะๆในสติปัฏฐานสูตรก็มี ไม่ค่อยแสดงว่านิโรสศจักกับอปิยารูปอาสาตารูปเนี่ยนะไม่ค่อยไม่เห็นเลยเห็นแต่ว่ามีในปิยรูปในสาตารูปทั้งนั้นอาอปิยารูปอาสาตรูปมันอยากจะไปอยู่ตั้งนานอยู่แล้วนะถอนไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยคือพุทธพจน์ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากในการเจริญวิปัสส น, นาครับคือเพื่อต้องการที่จะเบือนนายคลายกําหนัดในอุปาทานอคติห้า น, นี้เพราะฉะนั้นต้องชัดเจนเลยว่า จะทำยังไงก็แล้วแต่จะทําปริญญาก็ก็ตามนีก Holl onna, ridge, ็จะต้องมีวัตถุประสงค์อันนี้เพราะฉะนั้นจะทําปริญญาอะไรเนี่ยาะมันมีปริยรูปสัตวรูปเนี่ยนะครับทําให้มันเบื่อหนายอคือไอไอตัวที่เราไม่ค่อยชอบนะมันออกมายากก่อนแรกใช่ไหยท่านจริงแต่ท่านจึงเน้นอุปาทานขันห้าคือถึงเอ่อตามตามความเป็นจริงแล้วต้องทําทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่า เมื่อทําปิยรูปสาธรูปแล้วเนี่ยไม่ต้องกล่าวถึงที่ไอ้รูปที่มันไม่ใช่ปียรูปสาตารูปทำไม่ยากเพราะว่าถ้าทำนี่ชนะแล้วก็หมายความว่าอย่างอื่นก็ง่ายแล้วคืออาปิยรูปอาสาธรูปแทบไม่ต้องไปทําอะไรเลยสมมุตินะการการพิจารณาเนี่ยนะยาตะปริญญาตีรณะปริญญาเนี่ยจุดประสงค์เพื่ออะไรก็เพื่อปหานะปริญญาทีนี้พวกอาปิยรูปอาสาธรูปละยากไหมละยากไหมอาปียรูปอาสาธรูปเนี่ย ละไม่ยากอยู่แล้วเพราะถ้าทําแต่ปริยรูปสาตรูปอย่างเดียวนะอย่างอื่นเนี่ยไม่ยากแล้วเพราะว่าตัวสมุทัยนิมบบิอยู่ตรงนั้นด้วยคือในฐานะว่าตัวนั้นเนี่ยถ้าจะกล่าวว่าอา ร, รมณนานุสัยมันนอนอยู่ตรงนั้นก็ไม่ผิดคืออนุใสนะถ้าเหมือนกับมันแช่อยู่ตรงนั้นอนะพอรับอารมณ์นั้นกิเลสเกิดรับอารมณ์ สมมตินะรับปยรูปสาสตรูปเมื่อไร่ราคะเกิดรับเมื่อไร่ราคะเกิดรับเมื่อไร่ราคะเกิดเหมือนกับว่าตัณหามันอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยนะเช่นเห็นดอกไม้สวยเห็นแล้วชอบเห็นแล้วชอบเห็นแล้วชอบเนี่ยเหมือนกับตัณหามันอยู่ตรงนั้นจริงๆบางคนเนี่ยไปไปเห็นสมมตินะเห็นอะไรที่ตัวเองชอบเป็นพิเศษเลยนะเห็นเมื่อไหร่ก็ชอบเห็นเมื่อไหร่ก็ชอบนึกเมื่อไหรก็ชอบนึกที่ไหนก็ชอบเหมือนกับว่ากิเลสมันแช่อยู่ตรงนั้นน่ะจึงกล่าวว่าเมื่อรับอารมณ์ที่น่าปรารถนา จึงต้องทําปริญญาไเลยต้องเอามาทําปริญญามาพิจารณาอย่างละเอียดละ อ, อุ่่่นทีคุณชูถามว่าปีรูปสารูปท่านลองอธิบายอีกนิดนะครับว่าคืออะไรครับคือรูปตัวนี้เนี่ยแปลว่าสภาวะไไนันะคือสภาวะที่น่าปรารถนาสภาวะที่น่าพอใจทั้งหลายคือถ้าตัณหาจะเกิดมันจะเกิดในสภาวะที่น่าพอใจเท่านั้นว่าตรงๆเลยนะ สภาวะใดเป็นที่น่าปรารถนาน่าพอใจเนี่ยตัณหาเนี่ยมันจะชอบในสภาวะนั้นในโลกของการลืมตาดูเนี่ยนะอะไรหน้าสิ่งที่เราพอใจที่สุดถ้าสีนั้นหายไปกับตาหายเนี่ยรักกะไหนมากกว่กากันก็รักตารักตามากกว่ากันนะในบรรดาเสียงทุกชนิดนะเราเท่เราชอบเสียงมาเยอะแต่ทำไมเราเลิกฟังเสียงนั้นได้แต่ว่าเราติดหูเนี่ยมาก แต่ก็เป็นปีรูปสารรูปทั้งคู่ทั้งคู่แต่ทีนี้ถ้าค่อยๆไล่ออกไปเนี่ยนะค่อยๆไล่ไปเนี่ยเมื่อรักตานั่ยแหละจึงต้องการสีเมื่อรักหูนั่นแหละจึงต้องการเสียงสมมุติถ้าเราตาบอดเลยนะเขาจะสร้างบ้านแบบไหนก็ได้ขอให้มันคุมแดดคุมฝนให้เราเราพอใจทั้งนั้นอ่ะไม่ต้องเอาสีสวยๆอะไรเราก็ได้ไม่ต้องปลูกดอกไม้ให้ดูเราก็ไม่ว่าถ้าเราไม่มีตานะเพราะเรามีตรักตานั่นแหละจึงชอบสีเพะเรารักหูนั่นแหละจึง จึงต้องการเสียงพราะเรารักใจอะ่ะจึงต้องการหาอารมณ์ทั้งหลายมามาให้ใจมันได้คิดชื่นชมในอารมณ์นั้นน่นะเพราะอารมณ์เนี่ยแปลว่าเป็นที่ยินดีแห่งนะสีเป็นที่ยินดีแห่งตาแต่หมายถึงจิตที่เกิดในทวารตาจะไปยินดีที่สีเนี่ยนะอนนันสิ่งเราเนี่ยปิยรูปสารูปเนี่ยยึดภายในอ่ะนะผมขออนุญาตอธิบายกุมนชนินทรนะ คือปีรูปสัตว์รูปท่าเราจําถ้าถ้าเราจะจําง่ายๆนะคือถ้าจำฉากกษัตริย์ศูนยนั่นนะ <c oughs> คือทั้งทั้งขุมทวารตั้งแต่ตามาอ่ารูปอารมณ์มาที่ตาแล้วก็เกิดอ่าจักปิญญาเนี่ยนะสาแล้วใช่ไหมสามทวารหนึ่งสามแล้วก็พอไปก็ไปผัสสะใช่มสามแก็เป็น4ใช่ไหมแล้วก็ไปผัสสะแล้วก็ไปเกิดไปเกิดเวทนาใช่ไหมแล้วที่เวทนาแล้วก็ อันนี้เราได้กลุ่มหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วจำเพิ่มเติมหน่อยว่าก็มีเจตนามีมี ม, มีมีสัญญามีวิตกมีมีมีอะไรอีกนะครับอ่าที่รวมรวมแล้วเนี่ยนะคือเอาทั้งขบถาวรมานะนั่นแนะ่ะปีรูปสารรูป สับอยู่สวรื่องอะไรเรได้มันหงี้วะเจันพี่ตบพี่จนพี่จ่หลัจากนัเป็นก็เป็นการติด i ัวเ ันปิจารูปสาตรรูปเนี่ยนะวิธีจำก็ไล่ไปตามทวานนั่นแหลนะตัวในขั้งว่าศีและสัมปทาเนี่ยเป็นอุปนิสัยแห่งวิชาสามนะหรือผู้ที่ได้วิชาสามเพราะมีศีละสัมปทาบริบูรณ์ผู้ที่มีอภิญยาหก็เนื่องจากบริบูรณ์ด้วยสมาธิสัมปทาผู้ที่มีปฏิสัมพิทาแตกฉานเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นปัญญาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยปัญญา คือธรรมชาติของปัญญาเนี่ยนะหนึ่งพิจารณาปัจจัยกับปัจจุบันคือพิจารณาเหตุพิจารณาผลการพิจารณาผลคืออัฏฐปฏิสัมพิทาพิจารณาเหตุคือธรรมปฏิสัมพิทาเมื่อพิจารณาเหตุพิจารณาผลแล้วก็อยากเอาออกมาพูดออกมานะคำพูดเป็นนิโรติปฏิสัมพิทาเนี่ยทีนี้ผู้ที่มีความสามารถคล่องแคล่วทั้งสามอย่างนั้นเรียกคนมีปฏิภาณเรียกว่าปฏิภาณะปฏิสัมพิทา มันเบื้องต้นก่อนนะกิจของปัญญาคือพิจารณาเหตุกับผลปัจจัยกับปัจจยุบังเช่นชรามรณะมาจากไหนมาจากชาติเมื่อมีความพิจารณาทั้งเหตุทั้งผลเป็นอย่างดีเอามาแสดงเอามาพูดออกมาอันนั้นเป็นนิรุติคนที่มีความสา ม, มารถทั้งสามอย่างนั้นเป็นอย่างดีอันนี้เป็นผู้มีปฏิพานปฏิสัมพิทาอันผู้ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาเนี่ยปฏิสัมพิทาสี่จึงจึงได้ เพราะว่าผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญาเนี่ยจะบรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาสีเนี่ยนะจะต้องอาศัยปัญญาสมบัติอันหนึ่งท่านแสดงการงดเว้นส่วนสุดกล่าวคือการมาสุขคาลิกานุโยคของพระเถระเหล่านั้นด้วยศีลสัมพทาศีลเนี่ยนะตรงตรงปฏิปัติของเขาคือการมาสุขาลิกานุโยคไม่ต้องการให้ไปบริโภคความสุขที่เกิดจากกรรมอันนี้คือคืองานตรงตรงของศีลมุ่งกําจัดการมาสุขคาริกานุโยค การงดเว้นส่วนสุดกล่าวคืออัตตกิะมาฐานุโยคด้วยสมาธิสัมปทาแต่ไม่ใช่ว่าโหเลิกบริโภค ก, กามด้วยอำ น, นาจตัณหาเสร็จแล้วมานั่งเครียดอึดอัดไม่ใช่ให้ไปแสวงหาความสุขด้วยเนกข ม, มะ น, นะคือสมาธิเพราะผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสมาธิเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องทุกข์เดือดร้อนเครียดอะไรเลยใช่ไหมไม่เป็นอัตตกิรมฐ า, านุโยค ก, การเสพมัชชิมาปฏิปทาด้วยปัญญา ข้อปฏิบัติสายกลางคือการแทงตลอดอริยสัตว์นะแต่ใครอยากจะบอกว่าจับเว้นการมสุขลีกานุโยกให้รักษาศีลถ้าต้องการเว้นอัตากิละมัธานุโยกอบรมสมถะถ้าประสงค์จะเดินทางสายกลางก็คือมีปัญญาพิจารณาอริยสัตว์นั่นเองท่านแสดงการละโดยการก้าวล่วงกิเลสทั้งหลายของพระเถระเหล่านั้นด้วยศีลสัมปทาเนี่ยนะท่านไม่ร่วมกิเลสให้เป็นกายวิ ญ, ญตัตวจีวิ ญ, ญตัตออกมาหรอก พราะศีลท่านดีแสดงการละปริยุทธานกิเลสด้วยสมาธิสัมปทาคืออกุศลแม้แต่นิดเดียวในจิตของท่านไม่มีแล้วก็ท่านละอนุสัยด้วยปัญญาสัมปทาเพราะท่านมีปัญญาเนี่ยนะจึงไม่มีอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งหมดไม่เป็นที่ตั้งแห่งกามราคานุสัยของท่านไม่เป็นที่ตั้งภาวะราคานุสัยของท่าน ธรมะในภูมิสามไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐานุสยัยไม่เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉานุสัยเลยท่านมีสิ่งดีท่านก็ไม่มีมานะในสิ่งดีๆของท่านที่ท่านมีอยู่นะอันปัญญาของท่านนั่นแหละทำให้ท่านละอนุสัยได้โดยสิ้นเชิงอีกอย่างหนึ่งการชําระสังกิเลสคือทุจริตด้วยศีลเนื่องจากท่านมีศีลบริบูรณ์นั่นแหละท่านจึงละทุจริตกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตได้หมด เนื่องจากท่านบริบูรณ์ด้วยสมาธิเนี่ยนะท่านจึงละตัญหาได้ถ้าคนที่มีความสุขด้วยสมาธิเนี่ยนะต้องการบริโภควัตถุกรรมไหมไม่เอาแล้วนะมันเหมือนกับมีความสุขที่ดีกว่าแล้วเรื่องอะไรต้องไปเดือดร้อนด้วยนะันก็ท่านก็ผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสมาธินี่ก็ชำระสังกิเลขเครื่องเศร้าหมองคือตัญหาถ้าบริบูรณ์ด้วยปัญญาเนี่ยนะก็ชาระกิเลขเครื่องเศร้าหมองคือทิฏฐิเนี่ยนะจะละทิฏฐิได้ กนะ็มีสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจนั่นะโอถ้านะเข้าใจอริยสัจอย่างเดียวเนี่ยนะพวกทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยชำระหมดเลยถ้ามีความเข้าใจอริยสัจอย่างเดียวเพราะความเข้าใจผิดทั้งมวลเกิดจากการไม่เข้าใจอริยสัจความเห็นผิดทุกชนิดนะถ้ามีความเข้าใจเรื่องอริยสัจดูแล้วเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวเองจะเป็นมิจฉาทิฏฐิในข้อใดข้อหนึ่งเพราะมิจฉาทิฏฐิเช่นมิจฉาทิฏฐิสำคัญว่า ทุกขสัตว์เนี่ยเป็นอัตตาเห็นทุกขสัตว์ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเห็นทุกขสัตว์ว่างามเป็นต้นเนี่ยนะด้วยอานาจทิฏฐิเนี่ยแล้วสําคัญว่าทุกขสัตว์เนี่ยใครสร้างอ่ะถ้าเข้าใจสมุทยสัตว์จะละละทัทธิที่ที่สร้างทุกขสัตว์หมดถ้าหากว่าเข้าใจนิโรธสัตว์ที่สงบระงับดับภพบก็จะรู้ละแล้วก็ถ้ารู้เข้าใจมรรคสัตว์เนี่ยพวกข้อปฏิบัติมิจฉาทิฏฐิศีล อ, อะไรนะ กลุ่มศีลพระตะปรามาจร ะ, ะทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งคำว่าภาวนานะภาวนาหมายถึงศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาเพราะว่ากายภาวนาก็อย่างลงอยู่ภายในภาวนาสามนะมันพระเถระเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยภาวนา